18ตอนดึกสงัดของคืนวันโกนแม่ชีแดงนอนกระสับกระส่ายอยู่ในมุ้งรู้สึกหายใจขาดๆเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่หน้าอกคิดจะปลุกเพื่อนชีที่นอนอยู่ในมุ้งข้างๆให้มาช่วยก็ไม่รู้พวกเขาจะช่วยอะไรได้ดีไม่ดีจะพากันบ่นให้รำคาญหูอีกถ้าจะต้องถึงกับตายก็ขอตายคนเดียวเงียบๆดีกว่า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 หลังอ่านสุนัขท้องแก่กำลังจะคลอดลูกมันรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังส่งเสียงครางยิ้งๆิ้งอยู่ในความมืดเสียงนั้นดังไปถึงหูแม่ชีแดงผู้ซึ่งกำลังนอนทุรนทุรายรอความตายอยู่มันจะร้องหาพระแสงอะไรของมันแม่ชีแดงคิดอย่างขัดเคืองแล้วก็ปล่อยจิตให้ไปพัวพันอยู่กับเสียงของนางหลังอ่าน นอนคิดงุนงานอยู่อย่างนั้นกระทั่งขาดใจตายเป็นเวลาเดียวกับที่นางหลังอานออกลูกแม่ชีแดงจึงได้ไปเกิดเป็นลูกสุนัขจากมนุษย์ภูมิไปถือกำเนิดในติรชานภูมิแม่ชีเขียวเป็นบุคคลแรกที่รู้ว่าแม่ชีแดงตายแม่กาหลงผู้ซึ่งจุติจากภูมิเปรตมาอุบัติในภูมิเทพเป็นผู้บอกกล่าวน่าเสียดายนะจ๊ะแม่ชี ที่คนถือศีลแปดต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแม่กะหลงว่านั่นเป็นเพราะเขารักษาได้ไม่ครบองค์แปดตัางหากละ่ะเยอะว่าแต่คนถือศีลแปดเลยแม้พระสงฆ์องค์เจ้ามีศีลถึง227ข้อหากรักษาไว้ไม่ได้ก็ต้องไปเกิดในอบายภูเหมือนกันไม่น่าเลยแดงเอ้ยเพราะความประมาทแท้เองถึงต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหม้า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 แม่ชีเจียนไปกราบเรียนสมภารท่านกลับบอกว่าอาตมารู้มาตั้งแต่ตอนตีสามนนทนแล้วเข้าไปตอนนั้นแต่ก็ไปไม่ไกลหรอกยังอยู่ในวัดนี้ภิกษุวัยสามสิบพูดเป็นปริศนาวัดนี้เหรอจ๊ะเอถ้าเช่นนั้นก็คงเป็นเทพหรือไม่ก็เป็นเปรตแต่ฉันสังหอนใจว่าแกคงจะไปไม่ดี แกไปเกิดเป็นเปรตใช่ไหมเจ้าท่านสมภารแม่ชีอยากรู้ไม่ใช่เปรตแต่หนักกวามากเพราะตายขณะที่จิตมีโมหะอย่าลืมนักกิเลสสามตัวที่จะพาเราไปอบายภูมิก็คือราคะโทสะโมหะถ้าตายขณะที่จิตมีราคะก็จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้าจิตมีโทสะก็จะไปเกิดในนรก แต่ถ้าตายในขณะที่จิตมีโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งถือว่าหนักที่สุดตกนรกไม่หนักกว่าหรอจ๊ะท่านสมภารแม่ชีแยงไม่หนักเท่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเอาเองนะพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้ทรงกล่าวเป็นคาถาว่าราคะมีโทษน้อยกว่าคลาช้าแต่โทสะ โทษมากแต่ว่าครเร็วโมหะมีโทษมากทั้งครช้านี่คือหลักฐานยืนยันว่าโมหะนั้นร้ายกว่าราคะและโทสะรากเง่าของความชั่วหรือที่เรียกว่าอากุศลลมูลมีอยู่สามอย่างคือราคะโทสะโมหะแต่ในอกุศลลมูลเองนั้นก็ยังมีรากเง่าอีก กล่าวคือโมหานั้นเป็นรากเงาของราคะและโทสะบุคคลที่ถูกโมหะครอบงำราคะและโทสะย่อมตามมาโมหะก็คือความหลงความเคลาวความไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาโมหะหรือว่าอวิชชานี่เองที่เป็นรากเงาของความชั่วทั้งปวง ในอาตกะฐานนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกุศ ล, ละมูลสามอย่างนี้ด้วยวันหลังจะเล่าให้ฟังเอาละไปเตรียมการเรื่องทำศพแม่ชีแดงได้แล้วเป็นอันว่าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาหรือเจ้าท่านสมพานเอถ้าเช่นนั้นคงจะไปเกิดเป็นหมา เพระาะเมื่อคืนนางหลังอ่านมันออกลูกห้าตัวสีน้ำตาลสี่ตัวสีขาวตัวหนึ่งเลยสงสัยว่าชีแดงคงจะเกิดเป็นเจ้าตัวสีขาวเอาเถอะไว้มันโตก็จะรู้รับรองว่า น, นิสัยเหมือนชีแดงเปียบเลยสมภารพูดยิ้มยิ้มลูกสุนัขคอกนั้นโต ว, วันโตคืนและก็จริงดังที่พระเจริญพูดไว ล่าวคือเจ้าตัวสีขาวมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากพี่น้องอีกสีตัวของมันเป็นต้นว่าเกียรติคร้านกินแล้วก่อนนอนตกกะตกะตะกรามแล้วอาหารที่มันโปรดปรานที่สุดก็คือหัวปลาทูพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่ในตัวแม่ชีแดงครบท่วนวันพระขึ้นแปดข้ามตรงกับวันอาทิตย์ขณะที่สมพันธ์วัดป่ามะม่วงกาลังสอบอารมณ์ ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศาลาการประเรียนบุรุษหนึ่งก็พาสตรีและเด็กชายสองคนขึ้นมาบนศาลากราบสมภารแล้วคนทั้งสองก็บอกเด็กชายวัยสามขวบกับสี่ขวบให้กราบลุงลุงอ้าวโยมด็อกเตอร์กริดเองหรอกครึมายังไงล่ะเนี่ยพระเจริญทักทายเหมือนเก่าผมขับรถมาครับ ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะพาภรรยาและลูกๆมากราบท่านบุรุษวัยเดียวกับสมพานกล่าวคุณกริตเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าท่านมีพระคุณต่อเขามากที่เรียนจบด็อกเตอร์ก็เพราะท่านช่วยสตรีวัยส0ผิวขาวสะอาดสะอ้านกราบเรียนเด็กชายสองคนกราบหลงลุงและก็ลุกออกไปวิ่งเล่นอยู่บนสัลา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 บรรจุธนบัตรฉบับละร้อยบาทจำนวนยี่สิบฉบับพระเจริญยื่นมือออกมารับโดยไม่ต้องใช้ภาคกราบเพราะคนถวายเป็นเพศเดียวกันกับท่านขออนุโมทนาสมพัน์กล่าวและพูดกับผู้ที่นั่งณที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้บุญนั้นงอกได้นะบุญงอกได้เงินก็งอกได้ ดูอย่างด็อเตอร์ผู้นี้อาตมาเคยช่วยเหลือเขาโดยให้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสอาตมาให้ไป400บาทวันนี้เขามาถวาย 2,000 บาทเงินงอกเกินมาถึง5เท่าตัวอาตมาได้กำไรตั้ง 1,060 ท่านพูดยิ้มๆผมว่าคงไม่ได้กำไรหรอกครับท่านเพราะถ้าจะคิดกันจริงๆ เงินสี0ร้อยบาทสมัยนั้นก็มีค่ามากกว่าสองพสมัยนี้ผมว่าท่านขาดทุนมากกว่าดกรกริตแยงหากก็ไม่ได้จริงจังอะไรอ้าวขาดทุนหรอหรืออัตมนึกว่าได้กำไรเอแต่อัตมาว่าได้กำไรนะเพราะไม่ได้ลงทุนเงินนั่นเป็นของโยมแม่ไม่ใช่ของอัตมาสรุปว่าอัตมาได้กำไรสองพัน หรือโยมด็อเตอร์จะแยง้งผมไม่บังอาจแย้งละท่านหรอกครับเป็นอันว่าท่านได้กำไรส่วนโยมแม่ขาดทุนคนเป็นด็อเตอร์ยอมแพ้แต่โดยดีดีไม่แย้งก็ดีแล้วจะได้จบไม่งั้นไม่จบง่ายๆเอาละได้เวลาเพย์แล้ว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 คนทั้งสี่ลงจากศาลาไปแล้วนางแต้มจึงพูดขึ้นว่าโอ้โหเพื่อนท่านสมพานทำไมถึงได้ดำอย่างกระเหนียงเลยส่วนเมียขาวขาวอย่างกระไข่ปอกเวลาเดินด้วยกันชนนึกว่าอีกาคาบไข่คำพูดของนางแต้มเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนที่ฟังอยู่รวมทั้งนางโถแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะ ระวังนะว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองแม่แต้มก็พูดไปเรื่อยระวังนะว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองแม่โถแล้วก็ฉันพูดเล่นต่างหากละ่ะเอท่านสมพนันธ์จ๊ะฉันอยากรู้จังเลยว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนดำบางคนก็ขาวบางคนขี่เรบางคนก็สวย เพราะอะไรเหรอจ๊ะแมโยมที่โยมถามนี่นะเหมือนกับที่สุภมณพบุตรของโตทยพรามทูลถามพระพุทธองค์ในครั้งพุทธกาลเลยนะอาตมาจะถือโอกาสตอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบสุภมนกคือพระพุทธองค์ทรงตอบว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมคนที่เกิดมารูปร่างสวยผิวพรรณงาม ดูแล้วหน้าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนแย้มยิ้มแจ่มใสดูแล้วหน้าเลื่อมใสเพราะเขาทำกรรมคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มักโกรธไม่ขึ่งเครียดหน้างเง้าน้างอส่วนคนที่เกิดมาขี้เรผิวพันซามเพราะเป็นคนมักโกรธใครพูดอะไรผิดหูหน่อยก็หน้างาเดินลงส้นตึงๆเพราะกรรมนั้น ทำให้เกิดมาขี้เรผิวพรรณซามญาติโยมจำไว้นะชาติหน้าถ้าใครอยากเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยเหมือนพระเอกนางเอกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้อย่าไปมักโกรธหรือครึ่งเครียดเดียดฉันใครเขาแล้วคนที่เกิดมาดำกับคนที่เกิดมาขาวเพราะกรรมอะไรจ๊ะอุบาสิกาวัยห้าสที่นั่งติด ก, กำลังโถถามขึ้น เอออันนี้อัตมาก็ไม่ทราบหรือใครทราบช่วยบอกกันบ้างท่านโปรโยคำถามเป็นอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะท่านสมพานอุบาสิกาคนเดิมว่าเป็นยังไงล่ะอย่างนี้ยังไงถามยิ้มยิ้มคือ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 อาตมาให้เวลาในการสอบอารมณ์อีกส5้านาทีหลวงพ่อครับเวลาผมนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอจะมีเสียงมากระซิบข้างหูว่าอย่านั่งเลยไปนอนเถอะเดี๋ยวจะนั่งให้เป็นเสียงใครครับบุรุษวัยยี่สิบเศษถามเสียงมา น, น่ะสิมาไหนครับมานชนิดเนี้ยเขาเรียกว่า เทวปุตตมานมานก็คืออุปสรรคหรือสิ่งที่มาล้างผลานคนความดีตัวการขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุความดีงามโยมาปฏิบัติกรรมฐานเท่ากับโยมาสร้างความดีอันสูงสุดเมื่อทําความดีก็ต้องมีมานมาขัดขวางอตมาจะพูดเสมอๆว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเหมือนตอนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะบรรลุพระโพธิญาณ ก็ต้องผจนกับวัสวัตติมานดังปรากฏอยู่ในบทสวดชัยมงคลคาถาบทแรกที่ขึ้นต้นด้วยพาหุงสหัดได้ไงมานมีห้าประเภทได้แก่กิเลสมานขันธมา น, น, มานอภิสังขารมานเทวปุตรมานและมัจจุมานเวลาเหลือน้อยอาตมาจะอธิบายเฉพาะเทวปุตรมาน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 ก็เท่ากับเสียรู้เขาญาติโยมจำไว้นะเราต้องผเผชิญกับมานอย่างมีสติอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดเอาละพักรับประทานอาหารกันได้แล้วช่วงบ่ายก็ขอให้ปฏิบัติกันตามลำพังอัตมาไม่ขึ้นมาสอบอารมณ์เพราะว่ามีแขกขอตัวครึ่งวันนะท้าขออนุญาตลากิตครึ่งวัน ญาติโยมพากันกราบท่านสามครั้งจากนั้นจะเอาวาดวัดป่ามาม่วงจึงลงสาลาเดินไปยังกุฏิที่แขกคนสำคัญของท่านรออยู่